บทที่ 2. อ, อุปกรณ์เล่นเกมยิ่งอุปกรณ์สลับซับซ้อนขึ้นเพียงใดเกมก็ยิ่งเล่นยากขึ้นเท่านั้นดวงตาทำกรรมในการสื่อกร ะ, สะแสเมตตาหรือพยาบาทได้อย่างโจ่งแจ้งปากทำกรรมในการสื่อสารให้คนฟังรู้จริงหรือหลงผิดไม่จำกัด ใจทำกรรมในการสื่อภาษาเคลื่อนไหวและก่อสร้างรูปธรรมในทางเกื้อกูลหรือเบียดเบียนกันได้ไม่จำกัดใจทำกรรมในการคิดจึงถือว่าเป็นใหญ่เป็นประธานในการก่อกรรมเพราะคนเราคิดแล้วจึงพูดและทำในภายหลังใจ ใจเป็นแหล่งผลิตความคิดดีและความคิดร้ายความคิดดีร้ายคือมโนกรรมฉะนั้นใจจึงเป็นที่ตั้งของมโนกรรมจะทำกรรมใดๆต้องใช้ใจคิดนั่นเป็นเหตุให้กล่าวว่ากรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานนอกจากจะเป็นที่ตั้งของมโนกรรมแล้วโดยธรรมชาติของใจยังสามารถรับรู้ทุกสิ่งที่กาลังปรากฏให้รู้สึกได้ อย่างเช่นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ของตนเองตลอดจนทราบอยู่แก่ใจว่าเจตนาดีแล้วรู้สึกสว่างสบายใจเจตนาร้ายแล้วรู้สึกมืดจุกอกจุกใจใจเป็นหนึ่งในผลของกรรมจากอดีตชาติดังเช่นใจที่มีสำนึกแบบมนุษย์ย่อมเคยทําบุญมาจนรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล หากทาบาปไว้หนักๆไม่ค่อยจะได้ประกอบการบุญเอาเลยเช่นนี้กรรมจะตกแต่งให้ใจในชาติถัดมามืดมนรับรู้และแยกแยะยากว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปจึงไม่อาจมีสำนึกแบบมนุษย์ได้หรืออีกในหนึ่งไม่อาจมาเกิดในท้องมนุษย์ได้เลยปากปากเป็นแหล่งผลิตคำพูดฉะนั้น ปากจึงเป็นที่ตั้งของวจีกรรมวจีหรือวาจาคือการถ่ายทอดภาษาออกมาเป็นคำคำเช่นพูดข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จพูดคาที่สุภาพรื่นหูหรือหยาบคายระคายโสดปากในความหมายของการเป็นที่ตั้งแห่งวจีกรรมนั้นจะหมายรวมเอาอวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพูดเช่นแก้วเสียงลิ้นและเพดานปาก ปากเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติยิ่งปากสวยเข้ารูปเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางมงคลหรือในทางสุจริตมากขึ้นเท่านั้นหากเคยเป็นผู้ประกอบแต่วจีสุจริตเช่นพูดเข้าข้างความจริงไม่เข้าข้างตัวเองพูดสุภาพด้วยเจยตนาให้ผู้ฟังเย็นใจไม่พูดหยาบคายหรือส่อเสียดนินงทาให้ใครรู้สึกรบหู อย่างนี้แก้วเสียงจะใสเ ย, ย็นเป็นกลางวานชัดลิ้นและเพดานปากเอื้อให้พูดได้คล่องถนัดตามธรรมชาติตรงข้ามถ้าปากยิ่งบิดเบี้ยวหรือมีรูโหว่น่ากเกลียดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนถึงวจีกรรมอันเป็นไปในทางอัปมงคลหรือในทางทุจริตมากขึ้นเท่านั้นและการที่เคยพูดแต่ถ้อยคำเผ็ดร้อนเป็นประจำในอดีต ก็จะทำให้แก้วเสียงในปัจจุบันแหบแห้งหรือลิ้นและเพดานปากไม่เข้ารูปก่อให้เกิดเสียงอู้อีไม่น่าฟังเป็นต้นมือมือเป็นแหล่งผลิตงานทั้งปวงฉะนั้นมือจึงเป็นที่ตั้งของกายกรรมกายกรรมคือการกระทำทางกายเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์รูปคลาสิ่งต้องห้าม หรือกระดกเล่าเข้าปากนอกจากกระทำกายกรรมได้แล้วมือยังอาจเป็นอุปกรณ์ทาวัจจีกรรมได้ด้วยเช่นจับปากปกาดินสอเขียนหนังสือหรืออาศัยปลายนิ้วทั้งสิบกดแป้นพิมพ์เพื่อสื่อคำพูดในหัวออกไปให้ผู้รับฟังได้เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อมือเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติเช่น หากเคยเป็นชายที่ช่วยเหลือคนมามากจะมีขนาดมือที่ใหญ่และนิ้วมือที่ยาวแบบสมส่วนกับร่างกายและจะเป็นอวัยวะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกกับใจเจ้าของกระตุ้นให้อยากทำงานใหญ่หรืออยากช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมือตนแต่หากมีมือที่เบาบางแม้เป็นชายก็มีแนวโน้มจะเป็นพวกงานหนักไม่อยากเอางานเบาไม่อยากสู้เป็นต้น เท้าเท้าเป็นฐานให้ทรงตัวยืนและก้าวเดินไปทำโน่นทำนี่ฉะนั้นเท้าจึงเป็นที่ตั้งของกายกรรมแต่ก็อาจเป็นที่ตั้งของวัจจกก ร, รมได้สำหรับบางคนที่มีสภาพมือบกคร่องต้องหันมาใช้เท้าแทนมือในการเขียนและแม้เท้าจะเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลักในการทรงตัวยืนและการเดินทางแต่ขณะเดียวกันก็เป็นอวัยวะเบื้องต่ำ ซึ่งเหนี่ยวนำใจให้คิดไปในทางต่ำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะใช้อวัยวะส่วนนี้กับมนุษย์ด้วยกันเช่นความรู้สึกเมื่อใช้มือผลักกับใช้เท้าถีบจะเป็นคนละเรื่องพูดง่ายๆคือถ้าใช้เท้ากระทำกายกรรมกับผู้อื่นโอกาสที่จะเป็นอกุศลนั้นสูงกว่าที่จะเป็นกุศลเท้าเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติ เช่นมีรูปเท้ายาวเป็นฐานหยัดยืนที่มั่นคงสมบูรณ์เดินเหินถนัดก็ด้วยเคยเป็นผู้มีใจมั่นคงยืนหยัดอยู่ในเมตตาธรรมสามารถเว้นขาดจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นแม้มีเหตุยั่วยุให้หน้าเบียดเบียนเป็นต้นศีรษะศีรษะเป็นที่แสดงใบหน้าและการใช้สายตาฉะนั้น ศีรษะจึงเป็นที่ตั้งของกายกรรมและศีรษะก็เป็นอวัยวะเบื้องสูงเมื่อน้อมลงแทบเท้าอันเป็นส่วนต่ำสุดของผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจึงหมายถึงการแสดงความเคารพขั้นสูงสุดหน้าผากที่จะลดลงกับพื้นคือขณะจิตที่ทิฏฐิมานะลดลงเหลือศูนย์กุศลย่อมเบ่งบานเต็มร้อย ศีรษะเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติหากศีรษะมีรูปมนงามก็สะท้อนถึงกรรมดีประเภทอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้ความเคารพด้วยการไหว้งงงา ม, งามอยู่ในโอวาทของผู้ทรงธรรมแบบคนว่าง่ายกับทั้งเป็นผู้มีความประพฤติอยู่ในร่องในรอยของศีลสัตว์ไม่บกกร่องในตา ในตาเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกผ่านวิธีมองฉะนั้นในตาจึงเป็นที่ตั้งของกายกรรมเช่นทอดมองผู้อื่นด้วยความเมตตาหรือจ้องหน้าให้ใครๆครล้ามกลัวนอกจากนั้นยังมีวิธีมองแบบเสแสง้งแกล้งสร้างประกายที่เป็นตรงข้ามกับใจใจประสงค์ร้ายแต่ทำเป็นสร้างประกายมีไมตรีหรือใจรักแต่ทาเป็นมองด้วยความเย็นชาเป็นต้น และอันเนื่องจากในตาเป็นที่แสดงออกของเมตตาจิตหรือใจอาฆาตในตาจึงก่อให้เกิดความสบายใจหรือขุนใจแก่ผู้ถูกมองได้มากกว่าอวัยวะส่วนอื่นใดในตาเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดิตชาติหากมีความงามหรือรูปลักษณะที่ดีน่าพึงใจมักหมายถึงกรรมจากการทอดมองผู้อื่นด้วยเมตตาจิต หรือถ้าในตาเป็นประกายใสยซึ้งและมีแววลึกมากๆก็อาจหมายถึงกรรมที่เคยมองพระพุทธรูปหรือสมณะด้วยแววเคารพเลื่อมใสเป็นล้นพ้นในตาคนส่วนใหญ่ไม่ถึงกับสวยและไม่ถึงกับแย่ก็เพราะเคยมองด้วยเมตตากับคนที่ตนรักและมองด้วยโทสะกับคนที่ตนชังหายากที่ระวังรักษาสายตาในการทอดมองให้เสมอกันไม่ว่ามิตร หรือศัต ร, เรเูเครื่องเพศเครื่องเพศเป็นแหล่งสืบพันธุ์สายพงพันธุ์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างสุขในเพศรดอันชวนให้รู้สึกติดใ จ, จการมีชีวิตฉะนั้นเครื่องเพศจึงเป็นที่ตั้งของกายกรรมรวมทั้งเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมและการรับผลกรรมอย่างใหญ่ไม่ใช่ของเล็กน้อยและไม่ใช่เครื่องมือสร้างกรรมเล่นๆแต่อย่างใด เครื่องเพศเป็นของสงวนดังนั้นเพียงมีใจไม่สงวนรักษาหรือคิดหารกล้าเปิดเผยไม่เลือกก็ก่อให้เกิดมนโนกรรมอย่างใหญ่ที่โน้มเอียงไปในทางไม่ละอายต่อบาปได้แล้วเครื่องเพศเป็นหนึ่งในผลกรรมจากอดีตชาติอวัยวะเพศชายสร้างความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายรูปฝ่ายริเริ่มฝ่ายควบคุมจัดการดังนั้น จึงสะทอนได้เห็นกรรมอันเป็นฝ่ายริเริ่มงานบุญตลอดจนความอาจหารออกแรงแข็งขันในการทำกิจอันเป็นบุญให้สาเร็จโดยไม่ย่อท้อกลางคันส่วนอวัยวะเพศหญิงสร้างความรู้สึกพื้นฐานของฝ่ายตอบรับฝ่ายติดตามฝ่ายยอมให้ดังนั้นจึงสะทอนไห้เห็นกรรมอันเป็นฝ่ายสารงานบุญให้สาเร็จไปกับผู้ที่ริเริ่มไว้ก่อน ทั้งนี้กรรมอันเป็นตัวกําหนดเพศนั้นบางครั้งมีเรื่องของความพอใจประกอบอยู่ด้วยเช่นทำบุญด้วยความพอใจจะเป็นภรรยาหรือมารดาที่ดีในชาติต่อๆไปส่วนอื่นๆของร่างกายร่างมนุษย์ทั้งตัวอาจใช้เป็นอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ และร่างมนุษย์ทั้งตัวก็อาจใช้เป็นอาวุธทำร้ายร่างกายผู้อื่นในทางกลับกันร่างมนุษย์ทั้งตัวก็อาจถูกทำร้ายหรือรับบทลงโทษโดยง่ายจึงกล่าวสรุปได้ว่าทุกชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ล้วนเป็นอุปกรณ์ก่อกรรมเช่นสามารถเอาไหล่กระแทกทำลายประตูขณะเดียวกันก็อาจถูกทุบไหล่ให้บาดเจ็บเป็นต้น อวัยวะทุกชิ้นในร่างมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของผลกรรมจากอดีตชาติหากสมส่วนหรือดูพอดีที่ได้ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นๆก็แปลว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแต่หากมีความบกพร่องไม่สมส่วนหรือดูขัดกับอวัยวะโดยรอบก็สันนิษฐานได้ว่าอวัยวะนั้นๆถูกตกแต่งด้วยบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้หมดจดเพราะทุกชิ้นส่วนในกายมนุษย์สะท้อนถึงกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและมักเป็นกรรมที่ทําประจําไม่ค่อยเป็นกรรมที่ทําชั่วคราวกรรมที่ทําชั่วคราวแล้วก่อให้เกิดผลทางกายได้มักเป็นกรรมที่ทํากับผู้ทรงคุณหรือเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดผลใหญ่กับคนหมู่มากตัวอย่างเช่นถ้ามีโอกาสเอาศีรษะจรดลงแทบบาดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เพียงครั้งเดียวแล้วระลึกถึงอยู่เนืองๆด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปจนชั่วชีวิตเกิดชาติใหม่ย่อมเป็นผู้มีรูปศีรษะมนงามน่าชมยิ่งกล่าวโดยรวมคือรูปกายเป็นอย่างไรก็ได้มาจากผลกรรมเก่าแต่ด้วยความไม่รู้และความหลงลืมอดีตกรรมก็ทำให้คนเราหลงเข้าใจว่าได้อวัยวะต่างๆมาโดยบังเอิญ ไม่เห็นจำเป็นต้องทำอะไรการเปิดใจรับรู้ความจริงเกี่ยวกับกรรมและผลที่ปรากฏออกมาทางสภาพกายและสภาพใจจะนำไปสู่ความมีสติในการเล่นเกมกรรมคราวนี้และพลาดน้อยลงกว่าครั้งก่อนก่อน